ถ้าถืออย่างใดอย่างหนึ่งจนเกินไปถือเอาในแง่เดียวแล้วก็ไปอธิบายทุกแง่ก็ไม่ได้สรุปว่าสัพเทธรรมะอนัตตานะปฏิเสธอัตตาของเดียรถีข้อเดียวว่าไม่ใช่อัตตาแบบเดียรถีคิดขึ้นนะตอนนี้ถ้าเกิดผู้ที่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ไม่เข้าใจผิดว่ามีอัตตาเหมือนกับพวกเดียรถีแต่ว่ายังมีส ก, การยญาติที่ อัตตาของพวกเดรัจฉีกับสักกายสิทธิของผู้ที่มีความเห็นถูกเนี่ยจะมีความต่างกันยังไงคะเอออัตตาของพวกเดรัจฉีเนี่ยมันมันอยู่บนพื้นฐานของชีวะเนี่ยนะเช่นว่าเขาถือว่ารูปเนี่ยเป็นอัตตาของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเขาอาบน้ําได้วันละห้ารอบหรือวันละเจ็ดรอบนันนะคือเขาคิดอย่างงี้นะว่าแดดร้อนๆเนี่ยเขาต้องไปผิวไฟ ให้ให้ให้กิเลสเนี่ยมันมันย่างให้มันร้อนแล้วก็ลงไปอาบน้ำล้างมันออกไปเพราะเขาถือว่าอัตตาคือรูปใช่ไหมเพราะเขาก็ใช้วิธีเหล่านี้นะหรือไม่ก็สวดอะไรสักอย่างแล้วก็ลงน้ำเพื่อจะล้างบาปออกไปเพราะเขาถือว่าตัวบุญตัวบาปคือตัวรูปอะพวกนี้ถือว่าเมื่อล้างแบบนี้ไปแล้วอัตตาจับบริสุทธิ์ซึ่งเขาถือว่ารูปเป็นอัตตา บางพวกถือเวทนาว่าเป็นอัตตาบางพวกถือสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาแล้วแต่จะถือพวกลัทธิเหล่านี้เนี่ยบนอยู่บนพื้นฐานการไม่ทำปริญญาเนี่ยนะอันนี้คือพวกเดียรถีเป็นอย่างนั้นทีนี้บนพุทธศาสนาบอกว่าไม่ได้มีอัตตาแบบเดียรถีคิดขึ้นนะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้าเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นไม่เที่ยงรอก นะผูดอ่้ถ้ายังยึดถือในขันห้าเหล่านี้อย่าลืมว่าขันถ้ามีคำถามแบบนี้ว่าบุคคลกับขันห้าเนี่ยแยกกันได้ไหมแยกได้หรือไม่ได้ท่านเห็นบุคคลโดยความเป็นประมัดหรือล อ, องเอายังไงงอานะเอางี้ก็ได้เอาสัตว์กับขันห้าขันห้าต่างกันหรือต่างเหมือนกัน เขามีคขามีคำถามแบบเนี้ยนะคล้ายๆแบบนี้ว่าอาพระคุณเจ้าชื่ออะไรบอกเชื่อหน้าเกเซ็นผมใช่ไหมชื่อหน้ากระเซ็นไม่ใช่ขนเล็บปันหนังเนือเอ็เนกระดูกเยื่ อ, นอในกระดูกไล่ไปเรื่อยๆเอา้าไม่ใช่งั้นหน้าเกเซ็นก็ไม่มีอสิอันนี้ก็บอกว่าพระ อ, องค์มาด้วยอะไรบอกมาด้วยรถอะไรเป็นรถล้อใช่ไหมแล้วอะไรเป็นรถหลักอันนี้ตากระโปรงไม่ใช่หลังคา เบาะนั่งพวงมาลัยเอารถก็ไป ม, มีทําไมมุสากันว่ามาด้วยรถอ่านะอาไสเขาบอกว่าเขาเขามีคนถามนะบอกไปกรุงเทพตรงไหนกรุงเทพเอออะไรตรงไหนกรุงเทพนะอ่น ะ, ะ, ะ, ะ, ะถ้าเขอมามาจากเชียงใหม่นะบอกไปกรุงเทพก็หมายถึงมาที่นี่ใช่ไหมหลังคำว่ากรุงเทพเนี่ยแล้วเอ้ามาถ้าที่นี่เป็นกรุงเทพ อันนั้นใช่ไหมกรุงเพทพข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาเอางั้นก็นหลอกกันี่ว่ามีกรุงเทพคือคําว่าอย่างคําว่าขันห้ากับคําว่าศัพท์เนี่ยนะศัพท์นี่เป็นโวหารเนี่ยนะอันนี้เป็นสภาวะ น, นะนะหรือโวหารก็คือชื่อเอาไว้สื่อกันอันนี้สภาวะคือสิ่งที่มีอยู่จริงอันนะ ทั้งคู่นี่ก็จริงนะอันนี้จริงโดยสมมติสัจจะอ่ะ น, นะสมมติสัจจะสภาวะก็จริงแต่จริงโดยประมัทธัศจจะทั้งคู่ก็จริงแต่เป็นการจริงบางอย่างจริงแบบแฝงอะ น, นะจริงโดยโวหารเอาไว้เรียกขันกันอย่างที่เค ย, เคยอุปมาว่าขันห้าคือเหมือนกับสมมุติว่าตัวจริงสั์หรือโวหารพวกนี้ก็เหมือนกับเงาเนี่ยนะ ก็อาศัยปัจจัยก็เป็นที่ตั้งโวหารใช่ไหมพราะมีขันอยู่ก็เป็นที่ตั้งแห่งการเรียกชื่อเป็นที่ตั้งแห่งการเรียกชื่อเป็นโวหารขึ้นเพรันโวหารนี้ก็จริงแต่จริงโดยสมมุติะนะสมมุติขึ้นทีนี้ผู้ที่จะเจริญวิปัสสนาเขาจึงไม่ให้เน้นไปเจริญแบบสมมุติใช่ไหมไม่ใช่เน้นให้ไปพิจารณาโดยสมมุติเพราะสมมุตินี้เป็นโวหาร แต่เดียร์ีเข้าใจว่าสมมุตรริเป e э ็นความจริงขึ้นเป็นความจริงขึ้นอย่างที anyway> ่เขาบอกว่าเอองั้นสักเบื้องหน้าตายแล้วศูนย์สิพระอรหันต์ตายแล้วเกิดอีกหรือศูนย์พระอรหันต์ตายตายสมมตินะพระอรหันต์นะบุคคลผู้เป็นพระอรหันต์เนี่ยตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วศูนบุคคลผู้เป็นพระอรหันต์ตายแล้วเกิดอีกหรือศูนย์ไม่เกิดไม่ศูนย์ เป็นยังไงเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ปกลองเอาไงเอาให้ดีนะ <c oughs> <c oughs> คือเขาบอกว่าเขาก็ถามอย่างงี้นะว่าท่านอานนะรูปใช่ไหมคืพอพารหานันเวทนาใช่ไหมคือพาธหันสัญญาใช่ไหมเป็นพาธะหันสังขารใช่ไหมเป็นพารหันวิญญาณใช่ไหมเป็นพาระหันเนี่ยนะหรือรูปใช่ไหมเป็นสัตว์เวทนาใช่ไ้มเป็นสัตว์สัญญาใช่ ไ, มญญช ไ, มไมช้มเป็เนสัตว์ สังขารใช่ไหมเป็นสัตว์วิญญาณใช่ไหมเป็นสัตว์สัตว์นี้ต่างจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือสัตว์นี้ต่างจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือก็มันเป็นโวหารที่เอาไว้อาศัยเรียกกันเนี่ยนะแต่ว่าว่าโดยเป็นจริงถ้ามีการแยกแยะมาแล้วเนี่ยก็อย่างที่ว่าล้อใช่ไหมเป็นรถพวงมาลัยใช่ไหมเป็นรถเพราะฉะนั้นคําว่ารถมันเป็นโวหารของการประชุมประชุมอะไร อะไรหลายๆอย่างรวมกันเลยเรียกว่ารถเหมือนคำว่าบ้านอาศัยเนี่ยถ้าผสมภาระมาประชุมกันเลยเรียกว่าบ้านอย่างเสื้ออะไรเสื้อได้เส้นไหน เ, นเสื้อก็โวหารได้ไดมาเรียงเรียงกันเป็นต้นเนี่ยเรียกเลยเรียกว่าเสื้อฉันใดพวกนี้ก็เหมือนกันเป็นที่ตั้งแห่งโวหารทีนี้โวหารเหล่านี้ถ้าผู้ใดไปว่าเป็นสัตว์จริงเข้าพวกนี้แหละที่นะถ้าสาคัญว่าเป็นสัตว์เข้า ถ้าเป็นสัตว์นะนิยามของสัตว์ก็คือบุคละเนี่ยนะบุคละหรืออัตตาชีวะอาตมันพวกนี้นเป็นโ ว, วหานวัยพจน์ที่เขาใช้แทนกันคือสิ่งเดียวกันปุตุชนทั้งหลายเวลาพูดเนี่ยเป็นพูดถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่สําคัญจริงว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอัตตาเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งการ ทำไมจึงเรียกว่าเป็นสัตว์อย่างเช่นนะสัพเพสาตาเวราโหนตัวพยาปชาโหนตัวนีคาโหนตัวเนี่ยอ้าวก็ยังใช้คำว่าสัตว์อยู่ไม่ใช่หรือใช่เพราะหมายถึงโวหารของผู้ที่ยังติดข้องอยู่ในขันห้าผู้ที่ติดข้องอยู่ในขันห้าจึงเรียกว่าเป็นสัตว์เนี่ยนะโดยโวหารว่าเป็นสัตว์เพราะยังข้องอยู่ในขันห้าอย่างภาหันตายแล้วเที่ยงหรือตายแล้วศูนย์เนี่ยนะ รูปใช่ไหมเป็นธาตุหันเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณเป็นธาตุหันรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ย ง, ง เ, ปเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราอย่างเอานะว่าโดยโบหารปุตชชนทั่วไปเนี่ยมีตันหาเนี่ยเป็นเครื่องเชื่อมว่าเมื่อทิ้งรูปอันนี้แล้วถือเอารูปอันใหม่ทิ้งเวทนาอันนี้ก็ถือเอา เวทนาใหม่ทิ้งสัญญาอันนี้ก็ถือเอาสัญญาใหม่ทิ้งสังขารอันนี้ก็ถือเอาสังขารใหม่วิญญาณอันนี้ก็อเอาวิญญาณอันใหม่เพราะปัญหาเป็นตัวเชื่อมผู้ใดเจริญอริยมรรต น, นะเจริญอริยมรรตเนี่ยจนสามารถกับปัญหาได้โดยประการทั้งปวงเรียกว่าผู้สิ้นตัญหา ผู้สิ้นตันหาเรียกเรียกโวหารว่าพระขีณาสวะเรียกเป็นไทยๆว่าพระขีณาศพหรือผ้าหันทัานะ้าหันเนี่ยเป็นโวหารของผู้ที่ทําปริญญากิจเสร็จแล้วถือทิ้งขันอันนี้แล้วไม่ถือเอาขันอันใหม่เพราะฉะนั้นถ้ากระทั่งถามว่าผ้ารหันตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกคนพูดแบบนั้นโดยมากแต่อยู่บนพื้นฐานสัตตสัญญาอยู่บนพื้นฐานสักกายาธิถินะี ว่าตรงๆอย่าคุยกับเขามันดีที่สุดอนะเลิกคุยแต่คุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องมีโยมอยู่คนหนึ่งเข้ามาถามว่าตกลงไอ้นิพพานนี่มันศูนย์หรือมันเกิดอีกกันแนะ่กันไเราก็ไม่อยากคุยกับเขาหรอกเพราะเขาจะให้มันเกิดอีกหรือมันจะศูนยญอะตกลงมันเกิดอีกหรือมันศูนย์กันแน่เพราะเขาอยู่บนพื้นฐานของศัตะสัญญาอยู่ตลอดถ้าเป็นสมัยพุทธกาลพระองค์ไม่คุยไม่ถามเช่นเขาว่าศตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วศูนย์ หรือเกิดบางอย่างเกิดบางอย่างไม่เกิดหรือเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่จะไม่คุยกันเพราะมันอยู่บนพื้นฐานของสัตว์เนี่ยนะอยู่บนพื้นฐานของมิจฉาทิฏฐิซึ่งเหมือนจะถามว่ารถเนี่ยมันตายแล้วมันเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเกิดหรือไม่เกิดรถก็รถมันยังไม่มีเลยนะแล้วรถมันจะไปตายไปเกิดอะไรสรุปว่าประเด็นอนัตตาที่พูดถึงว่าสัพเพธรรมานตาเนี่ยนะคือ นัยยะแรกว่าอัตตาของเดรธีไม่มีอยู่ไม่มีอยู่จริงก็เลยปฏิเสธเท่านั้นเองร่างคําว่าสัพเพธรรมาอนัตตาหมายถึงธรรมทั้งปวงทีนี้ในอภิยยนญญาณิอภินญญายอุเทศเนี่ยนะขอ่ปสุตตมย า, ยานุเทศทั้งหมดมีกี่หัวข้อสิบหกหัวข้อผ่านไปแล้วสิบสองหัวข้อสิบสองหัวข้ออะไรบ้างหนึ่งอภินญ ย, ยะเป็นต้นห้าข้อใช่ไหม ชุดที่สองหานาพาคิยะอีกสี่ข้อแล้วก็ต่อไปอีกไตร ล, ลักษ์อีกอ น, นิจังทุกขังอนัตตาอีกสามข้อเป็นสิบสองข้ อ, ขอก็เหลืออริยสัจสี่ว่านี้ทุกน้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธคามิเนปฏิปทาที่เรียกว่าอริยสัจก็เพราะว่าเป็นสัจจะของพระอริยเจ้าอีทางทุกขังอริยสัจจังเนี่ยนะเพราะอะไรจึงเรียกว่าอริยสัจ เพราะพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าแทางตลอดหรือบรรลุสิ่งเหล่านี้เลยเรียกว่าอรายิยสัจเพราะเป็นสัจจะของพระอริยะ <ian> คือพระอริยะท่านบรรลุอย่างนี้ฉั้นคําว่าอรายิยสัจนั้นหมายถึงว่าพระอริยะบรรลุหรือแทงตลอดเนี่ยนะชื่อว่าอรายิยสัจเพราะเป็นสัจจะของพระอริยเจ้าดุดดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูกับพิสูจนทั้งหลายอริยสัจสี่เหล่านี้นะ อริยสัตวสเป็นชนัยก็นี้ทุกขาริยาสัตว์เป็นต้นเนยนะดูกวามพิสูจทั้งหลายอริยสัตว์สี่เหล่านี้แลพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมแทงตลอดเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอริยสัตว์คือเป็นสัจจะที่พระอริยะท่านบรรลุคือบรรลุแล้วนะหมดจากความเป็นปุถุชนเป็นพระอริยเจ้าก็เลยเรียกว่าอริยสัตว์เชื่อว่าอริยสัตว์เพราะสําเร็จความเป็นอริยะเพราะตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอริยสัตว์ทั้งหลาย ดู ด, ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าตถาคตเป็นพระอริยะในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพร้อมทั้งเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นอริยสัตว์อันนี้หมายถึงสัจจะของพระอริยะคือสัจจะของพระพุทธเจ้าว่า ง, งั้นอนนะั้นขตอนก่อนก็บอกว่าเป็นสัจจะที่ทําให้ปุตชชนบรรลุเป็นพระอริยเจ้าก็เลยเรียกว่าอริยสัตว์นนะอย่างนางวิสาขาที่เป็นพระอริยะก็เพราะบรรลุอริยสัตว์ บุคคลอื่นๆก็เหมือนการที่ถึงความเป็นอริยะเพราะแทงตลอดอริยศัสตร์ในหนึ่งอีกในหนึ่งอริยาศาสตร์นี้จะเรียกว่าของพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้แทงตลอดแล้วเอาอริยาศาสตร์มาเปิดเผย